ตอนที่หปัญหาที่10ถามลักษณะศรัท ธ, ธาข้าแต่พระนาคเนสนศรัท ธ, ธามีลักษณะอย่างไรมหาราชศรัท ธ, ธามีความผ่องใสเป็นลักษณะและมีการเล่นไปเป็นลักษณะขอถวายพระพรศรัท ธ, ธามีความผ่องใสข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ที่ว่าศรัทธามีความผ่องใสเป็นลักษณะนั้นเป็นประการใดมหาราชะศรัทธาเมื่อเกิดขึ้นก็ข่มนิวรนไว้ทำจิตให้ป่าศสจากนิวรนทำจิตให้พ่องใสไม่ขุนมัวอย่างนี้แหละเรียกว่ามีความพ่องใสเป็นลักษณะขอถวายพระพรขอนิมนต์อุปมาด้วยพระผู้เป็นเจ้า อุปมาพระเจ้าจากักรพรรดิมหาราชะพระเจ้าจากักรพรรดิเสด็จพระราชดำเนินทางไกลพร้อมด้วยเจตุรงค์ขเสนาต้องข้ามแม่น้ําน้อยไปน้ําในแม่น้ําน้อยนั้นย่อมขุ่นไปด้วยช้างมาลถพลเดินเท้าเมื่อพระเจ้าจากักรพรรดิเสด็จข้ามไปแล้วได้ตัดสั่งพวกอํามารว่า จงนำน้ำดื่มมาเราจะดื่มน้ำแก้วมณีสำหรับทำน้ำให้ใสของพระเจ้าจั ก, กรพรรดนั้นมีอยู่พวกอมาตะรับพระราชาองค์การแล้วก็นำแก้วมณีนั้นไปกดลงในน้ำพอวางแก้วมณีนั้นลงไปในน้ำสาหรายจอกแหนนทั้งหลายก็หายไปคนตมก็จมลงไปน้ำก็ใสไม่ขุ่นมัว พวกอมา์ก็ตักน้ำนั้นไปถวายพระเจ้าจักรพรรดิกับทูลว่าเชิญเสวยเถิดพระเจ้าข่าน้ำที่ไม่ขุนมัวชันใดก็ควรเห็นจิตฉันนั้นพวกอมาช์ชันใดก็ควรเห็นพระโยคาวจรชันนั้นสาลายจอกแห น, น่โคนตมนั้นชันใดก็ควรเห็นกิเลสฉันนั้น แก้วมณีอันทำน้าให้ใสชั้นใดก็ควรเห็นศรัทธาชั้นนั้นฉะนั้นพอวางแก้วมณีอันทำน้าให้ใสลงไปในน้ำสาหลายจอกแห น, นก็หายไปโคนตมก็จมลงไปน้ำก็ใสไม่ขุ่นมัวชั้นใดเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นก็ข่มนิวรนไว้ ทำให้จิตผ่องใสไม่ขุนมัวจากความพอใจในรูปสวยเสียงเพาะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศการไม่ชอบใจฟุ้งซ่านง่วงและสงสัยฉันนั้นยังนี้แหละเรียกว่าศรัทธามีความผ่องใสเป็นลักษณะขอถวายพระพรศรัทธามีการเล่นไป ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้อว่าศรัทธามีการเล่นไปเป็นลักษณะนั้นคืออย่างไรขอถวายพระพรพโยคาวจรเริ่มใสในปฏิปทาของพระอริยเจ้าแล้วจิตของพโยคาวจรเหล่านั้นก็เล่นไปในโสดาปฏิติผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตตะผลเป็นลำดับไป แล้พโยคาวจร น, นั้นก็กระทำความเพียรเพื่อให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อให้บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งอย่างนี้แหละมหาบพิษเรียกว่าศรัทธามีการเล่นไปเป็นลักษณะนิมน์อุปมาให้แจ้งด้วยอุปมาบรุษผู้ค่าแม่น้ำ มหาราชะเมฆใหญ่ตกลงบนภูเขาแล้วก็มีน้ําไหลลงไปสู่ที่ต่ําทําซอกเขาระแหงห้วยให้เต็มแล้วก็ล้นไหลไปสู่แม่น้ํำซอกฝั่งทั้งสองไปเมื่อฝูงคนมาถึงไม่รู้ที่ตื้นที่ลึกแห่งแม่น้ํานั้นก็กลัวจึงยืนอยู่ริมฝั่งอันกว้างลําดับนั้นก็มีบุรุษคนหนึ่งมาถึง เขาเป็นผู้มีกำลังเรียวแรงมากได้เหน็บชายผ้านุ่งให้แน่นแล้วกระโดดลงไปในน้ำว่ายข้ามน้ำไปมหาชนได้เห็นบุรุษนั้นข้ามน้ำไปได้ก็พากันว่ายข้ามตามชันใดพโยคาวจรได้เห็นปฏิปทาของพระอริยะเหล่าอื่นแล้วก็มีจิตแล่นไปในโสดาปฏิผลสกิทาคามีผลอนาคามีผล อรหัตผลแล้วก็กระทำความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งฉันนั้นอย่างนี้แหละเรียกว่าศรัทธามีการแล่นไปเป็นลักษณะข้อนี้สมกับที่สมเด็จพระชินสีตัดไว้ว่าบุคคลย่อมข้ามห้วงน้ำได้ด้วยศรัทธา ย่อมข้ามหาสมุทรได้ด้วยความไม่ประมาทย่อมล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาดังนี้ขอถวายพระพรชอบแล้วพระนาคเสณอธิบายบุคคลมีศรัทธาต่อสิ่งใดเมื่อ ล, ลึกถึงสิ่งนั้นหรือบุคคล น, นั้น จิตใจย่อมผ่องใสและจิตใจของเขาย่อมแล่นไปอย่างสิ่งนั้นหรือบุคคล น, นั้นเสมอเสมอผู้ศรัทธานในพระนิพพานหรือผู้ถึงนิพพานแล้วจิตย่อมแล่นไปในนิพพานเนืองๆมีนิพพานเป็นอารมณ์อยู่เสมอย่อมทำความเพียรเพื่อบรรลุพระนิพพานนั้น